เรื่องภิกษุทายาสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นแผลที่องค์ชาติกำลังทายาน้ำอสจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะทำน้ำอสจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้า ภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทำน้ำอสจิให้เคลื่อนไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่แปดสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นแผลที่องคชาติท่านมีความประสงค์จะทำน้ำอสจิให้เคลื่อนกำลังทายาน้ำอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาที่เศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทำน้ำอสจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษองเล็บเรื่องที่9้าสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นแผลที่องค์ชาติท่านมีความประสงค์จะทำน้ำอสจิให้เคลื่อนกำลังทายาน้ำอสจิไม่เคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอบัตสังฆาที่เศษหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพร่งตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทำน้าอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาที่เศษแต่ต้องอบัตทุลใจวงเล็บเรื่องที่สิบ